อราขาดคณะคนนะครับโดนพรเพราะเราถูกฝนนะตอนนี้นไม้กลัวฝนตึกัดดังๆนะลมพีชไม่รู้เรือ่องนะพีชแข่งกับเสียงฝนก็ไม่ไหวเหมือนกันน ะ, ะจริงก็เราสังเกตไหมนะเสียงฝนมันอยู่ข้างนอกนะแต่ใจเราอยู่ข้างใน เสียงฝนอยู่ข้างนอกการรับรู้นะอยู่ข้างในถ้าเราหลีกสตินะมันจะรู้สึกประมาณนี้ยนะอะไรมันก็เกิดขึ้นข้างนอกนะสี่งข้างนอกนะมันมากระทบนะมันก็แค่กระทบนะกระทบแล้วมันก็มันก็หลุดไปนะมันก็เด็กไปคล้ายๆเหมือนกับผนังเนี่ยเราเอายูบบอลไปเตะใส่ไปค้างใส่ผนังนะ่ ผนังมันก็อยู่ที่เฉยของมันนะแต่ทุกบอลมันก็กระเด็นออกไปนะอารมณ์ที่มันกระทบเนะ่ะถ้าถ้าเรามีสตินะมันก็กระเด็นออกนะแต่ถ้าเราไม่มีสตินะมันจะเป็นเหมือนเราปลาดินเหนียวหรืออาดินน้ํามันไปปลาใส่นะมันก็ติดผนงังเลยติดแล้วก็มันก็เกาะ อ, อยู่แบบนั้นแหบบนะแต่อารมณ์มอาจจะมากกว่า สื่จิตใจเราก็ไม่เหมือนกับผ้านหนังสือทีเดียวถ้าขาดสตินะมันซึมเข้าไปเลยนะมันมันซึมนะเหมือนบ้านนะที่ฝาไม่ดีนะหรือหลังคารั่วนะฝนตกนะมันก็ซึมเข้าไปในบ้านนะรั่วลงอ่านะเพดานลงพื้นจิตของเราก็เหมือนกันนะถ้าจิตของเราไม่มีสติพุ้งครองรักษานะอะไรมันก็ เนตยอดเข้ามาได้นะเข้ามาถึงข้างในเลยแต่ถ้าเรามีสตินะมันเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้างนอกนะเสียงก็เป็นข้างนอกนะผ้าก็เป็นข้างนอกกลิ่นก็ข้างนอกนะอกายสัมผัสก็แค่สัมผัสกระทบเฉยเหมือนลมกระทบอ่ะมันไม่ถึงข้างในตัวนะมันก็แค่กระทบผิวกายข้างนอกเฉยไอเนี้ยสิ่งกระทบข้างนอกเนี่ย ถ้าเรามีสตินะป้องกันง่ายมากนะรู้เฉยมันก็จบละแต่ไอ้ที่มันเกิดข้างในเนี่ยป้องกันยากนะไอ้ความนึกคิดต่างๆเนี่ยมันพูดจากข้างในนะเอบางทีมันไม่เกี่ยวกับข้างนอก น, ะนอนอยู่เฉยมืดๆนะ่ะมันก็ยังคิดได้นะนั่งนิ่งๆนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวเลยมันก็ยังคิดได้นะไอ้ความคิดเนี่ยแหละ มันพุดจากข้างในนะคล้ายๆถ้าเป็นโจรนะอยู่ดีก็โผล่เข้าในบ้านเลยไม่รู้มันเข้าช่องไหนนะประตูหน้าต่างอย่างีนะ้มันมุดดำดินขึ้นมานะอันนี้น่ากลัวนะนั้นสิ่งข้างนอกนะมันป้องกันได้ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันอายตชนะเนะี่ยเราเห็นมันกระทบแล้วมันก็มันก็หลุดไปได้ง่าย แต่ความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นยากมากนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งในใจเลยมันยึดครองพื้นที่ในใจของเราเลยนะทำไงละ่ะเราถึงจะมีสติเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในนะมีสติรู้เท่าทันทั้งสิ่งที่กระทบข้างนอกแล้วก็สิ่งที่มันซ้อนเข้ามาในใจของเราเนี่ยแหละนะเ น, นี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะไม่งั้น เราจะถูกนะอารมณ์ต่างๆมันมาจากข้างนอกก็ดีหรือขุดจากข้างในก็ดีนะมันจะกลายเป็นครอบงําจิตใจของเราเลยนะเราก็กลายเป็นแบบนั้นแหละนะเป็นเปร์ ก, ก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นยักษ์เป็นมารก็ได้นะเคยเห็นหน้าตัวเราไหมตอนที่โกรธ นาเป็นแบบนี้ไหมนะ่ะสองกระจกดูนะ่ะมันเป็นแบบไหนนะอันนั้นแหละนะมันเป็นแล้วนะะพบภูมินะพบภูมิไม่ต้องรอว่าเราตายนะพบน้อยพบใหญ่นะ่ะพบใหญ่แล้วเกิดเป็นมนุษย์เนะ่ะพบใหญ่อาจจะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีนะมีชีวิตในพบใหญ่ประมาณนั้นแต่พบน้อยนีย่เกิดขึ้นทุกขณะเลยนะเกิดขึ้นไวมากเนมะแต่ละวันนะ่ะ อใจดีก็เป็นใจดีก็เป็นพระนะอใจดีก็เป็นอเทวดานะใจเย็นก็เป็นพระนะใจร้ายก็เป็นผีนะเป็นเปรต บ, บ้างเนี่ยพบน้อยพวก น, นี้นะมันเกิดขึ้นในจิต บ, บ่อยมากนะหน้าที่เราก็คือคอยรู้ทันมันนะนคอยรู้ทันมันมันผุดขึ้นมานะก็ให้เราเห็นมันนะ สติจะเป็นหน้าที่เหมือนตัวสแกนสแกนไวรัสที่มันแฝงเข้ามาในเครื่องอคอมพิวเตอรอ์จิตก็เหมือนกันถ้ามีสติมันจะเห็นนะอ๋โอโผลเกิดขึ้นแล้วเนาะโรคเกิดขึ้นแ้วเนาะหลงเกิดขึ้นแล้วเนาะความเบือเกิดขึ้นแล้ ว, นะวเนาะเห็นนะนะแม้แต่ด้านบวกนะอ๋อ มันมีปิตินะเกิดขึ้นแล้วเนาะนะมันมีสมาธิสงบเกิดขึ้นแล้วเนาะน่ะเราก็เห็นมันหลวงพ่อคำเขียนท่านสะดวง่ายๆว่าให้เราเป็นผู้เห็นอย่าให้เราเป็นผู้เป็นนะอถ้าเราขาดสตินะมันก็จะเป็นสุกเป็นทุกข์เป็นนั่นเป็นนี่ไปเรื่อยเลยชีวิตเราก็คอยเป็นไปเรื่อยอื ถึงทีเราก็ไม่อยากเป็นนะเราก็ไปพยายามรักษาไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะอแต่มีสติเนะ่ยเราฝึกรู้ทันกายนะฝึก ร, รู้ทันกายบ่อยๆเนะี่ยมันจะเป็นการเหมือนทําให้สติมันมีกำลังมากขึ้นเนาะเรารู้สึกกายเคลื่อนไหวนะกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะทําอะไรก็คอยรู้สึกอนะ่ ทำแล้วก็รู้สึกไปการรู้กายนะ่ะก็คือการที่กายกับใจเขาอยู่ด้วยกันแต่การอยู่ด้วยกันไม่ใช่าเราจะไปมัดเขาติดไว้ตลอดนะะเราก็ไม่ใช่เอ า, เอ า, ก, ากายกายกมันเคลื่อนใจก็เคลื่อนตามนะใจอ่ะเหมือนหนะ้าที่รู้เฉยๆเหมือนโยมนั่งนะโยมก็นั่งอยู่เฉยๆหูก็อยู่เฉยๆน่าดักนะ เสียงอาตมาพูดไปอาทิตย์ไหนมันก็ได้ยินนะเสียงลมหรือเสียงอันอื่นข้างนอกจากทิศอื่นมันก็ได้ยินเหมือนกันมันเป็นแบบนั้นนะไม่ต้องคอยเอาหูเราไปเงี่ยฟังทางนั้นทีทางนี้ทีนะสติก็การรู้ก็แบบนั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาใจไปคอยตามรู้ที่เท้าที่มือที่ลมที่ไหนไหนนะให้มันอยู่เฉยๆนั่นแหละ แล้วมันสิ่งใดมันเกิดขึ้นเราก็รู้มันนะเราก็รู้มันอย่าที่มันเป็นน่าแหลนนะไม่ต้องไปคอยตามนะแต่มันเกิดขึ้นมาให้เรารู้ให้เรารู้ไปนะส่วนความคิดหรืออารมณ์ในจิตก็เหมือนกันนะนะไม่ต้องไปคอยหาดูมันนะไปเที่ยวหาเนี่ยมันหาไม่เจอนะเพราะว่าเราจะเอาจิตไปหาจิตมันหาไม่เจอ เอาจิตหนึ่งไปคอยวิ่งตามหาตัวหนึ่งนะมันหาไม่เจอคล้ายๆเหมือนกับเราจะจับโจรนะแต่หัวหน้าโจรจริงๆคือผู้บังคับบัญชาเราเราจะทําอะไรนะเราก็ต้องคอยรายงานผู้บังคับบัญชานะแต่ผู้บังคับบัญชาเราแหละคือโจรใหญ่คือโจรใหญ่ที่มันที่มันหลอกเราคือไอ้ตัวจิตที่จะคอยหาเขานั่ยแหละคือตัวหลง ตัวใหญ่เลยจิตที่หลงมาไปหาเขาเนะ่ยคือตัวการใหญ่ถ้าเราจากจะเห็นจิตนะอยากจะรู้จิตนะจิตที่มันกำลังไปคอยสสแสวงหาความรู้ก็ดีหาอะไรต่างๆก็ดีนะหาม้าผลที่พ่านก็ดีไอจิตตัวนั้นแหละนะคือจิตที่เป็นตัวทุกข์ถ้ า, าย้อนกลับมาดูนะโอ้ ไอตัวสแสวงหาไอตัวต้องการนี่เองนะมันเป็นตัวทุก์อย้อนกลับมาดูตอนนี้นะอ๋อได้เลยเห็นแล้วอ๋อไอตัวนี้แหละพันพาเราไปสร้างพบน้อยพบใหญ่ก็ดีนะการแสวงหาพระพุทธเจ้าก็ดีนะสแสวงหาธรรมะ ก, ก็ดีนะสแสวงหาพระอริยสงฆ์ก็ดีนะสแสวงหามรรคผลนิพพานก็ดีนะเราอย่าไปหาที่นอกตัวนะ ต้อหาในตัวนะมรรคผลนิพพานนะพระพุทธพระธรรมระสงค์นะมีอยู่ในตัวเรานะดูดีๆนะนะธรรมะก็มีอยู่ในอาธรรมนั่นแหละนะหลวงพ่อเขียนี่ฉันบอกว่าในความโกรธมันก็มีความไม่โกรธในความโรคก็มีความไม่โรคในความหลงก็มีความไม่หลงในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์นะ ฟังดีๆนะฟังไม่ดีนะดเหมือนน้องพ่อเล่นคำเฉยๆแต่ถ้าฟังดีๆดูดีๆนะมันมีอยู่ตรงนั้นแหลนะในความโกรธ ถ, ถ้าเราเห็นเห็นความโกรธมันก็ไม่โกรธแล้วนะในความทุกข์ถ้าเราเห็นความทุกข์นะมันก็พ้นจากทุกข์แล้วเช่นตะายมันเป็นทุกข์ตนะายมันเป็นทุกข์นะ พอเราเห็นปุ๊บนะจิตมันพ้นจากความเป็นทุกข์มันให้ความเป็นทุกข์เป็นเรื่องเฉพาะของกายนะแต่จิตมันก็หลิดออกมาในความโกรธก็เหมือนกันเห็นความโกรธเกิดขึ้นมานะจิตมันรู้เลยอ้อเมื่อกี้มันโกรธมันรู้ว่าจิตเมื่อกี้มันโกรธนะมันรู้เลยเมื่อกี้มันคือผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้มันรู้เนี่ยเนี่คือมันเห็นแล้วมันก็พ้นพ้นจากความโกรธได้ หลวงพ่อไม่ได้เล่นภาษาไม่ได้เล่นคานะแต่หลวงพ่อชี้เห็นว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะมันมีจริงๆนะนะในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ในนั้นนะนะถ้าเราดูดีๆนะในความคิดพอเราเห็นความคิดปุ๊บนะความคิดมันดับทันทีนะเหมือนกับสวิตช์ไฟอ่ะนะเปิดปิดมันก็อยู่ที่เดียวกันนะั่นแหละนะเรากดปุ๊บ ก, กดด้านหนึ่งเปิด เปิดด้านหนึ่งก็ปิดนะทักปิดที่เดียวกันมันก็เปิดที่เดียวกันเหมือนกันนะความคิดมันก็เกิดขึ้นกับจิตตัวรู้ทันความคิดก็เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละเนี่ยถ้าเรามีสติยริงเราจะเห็นโอ้ต้นต่อต้นต่อเห็นพลองหลงมันอยู่ที่จิตที่เองนะจิตที่ไม่มีสติคุ้มคลองโอมันไปคิดเรื่อยเยเลยนะบางทีหลวงพ่อท่านใช้คํานะโอ้ น่าเกียดนะแต่ก็ตรงนะเพราะว่าจิตเนะี่ยมันเป็นโสพภณีจิต <c oughs> จิตมันสับสนมันคิดอะไรก็ได้นะคิดดีก็ได้คิดร้ายก็ได้นะมันเป็นโสพภณีจิตมันสับสนจิตเป็นแบบนั้นจริงนะอ้มันเกลือกกล้วอะไรก็ได้บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ร้ายนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันโอ้ มันเป็นเร <rut> mm ื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราแต่ก่อนเราคิดว่าจิตมันเป็นเราความคิดมันคือเราคิดแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นเห็นมันคิดเห็นจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดเห็นจิตมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์อันนี้คือถ้าเรามีสติตอนนี้ก็คิดว่าเสวนดังแล้วคามนีูเรื่องดีกว อย่าไปกบกวนฝนเลยเนาะแต่ถ้าเรามีสตินะฝนตกไม่เป็นไรแต่ความเสี่ยงจะมาอาจจะไม่สบายแบบมันเจะแข็งต่อฝนแต่ถ้าเรามีสตินะฝนจะตกเราก็ปฏิบัติทำได้นะไฟจะดับก็ปฏิบัติทำได้เพราเรารู้กายรู้ใจของเรานาะ ไม่ต้องไปมองเห็นอยนงอื่นหรือได้ยินเสียงอื่นก็ได้เดี๋ยวให้เรานั่งนั่นจินตสติด้วยกันต่อละกันเนาะ